วิธีระงับปฏิสารณียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงระงับปฏิสารณิยกรรมอย่างนี้คือภิกษุสุธรรมพึงเข้าไปหาสง์ขมผ้าอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือ กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงปฏิสารณียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับปฏิสารณียกรรมพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจะตุถากามวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุสุธรรมนี้ถูกสงลมปฏิสารณิยกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยื่ยยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารณิยกรรมถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระงับปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุสุธรรม นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุสุธรรมนี้ถูกสง์ลงปฏิสารนิยกรรมแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปฏิสารนิยกรรมสงระงับปฏิสารนิยกรรมแก่ภิกษุสุธรรมแล้ว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 อย่างนี้ปฏิสารณียกรรมที่สี่จบ